เราง่าอย่าซีเรียกเรื่องบางครั้งเราเองก็ไม่ต่างจากแมลงวันเลยนะ<ว>นครั้งหนึ่งหลวงพ่อกำลังให้คำปรึกษาผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังตกอยู่ในห่วงของความทุกข์เศร้าขนาดหนักถึงขั้นที่เปรยออกมาว่าเธอนั้นอยากตายขณะนั้นมีมแมลงวันตัวหนึ่งได้บินเข้ามาในห้องและก็พยายามบินหาทางออกจากห้องจนชนหน้าต่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นเองหลวงพ่อเฝ้าดูมแมลงวันนั้นอย่างตั้งใจ และแสดงท่าทางออกมาราวกับว่าเหมือนไม่ได้ฟังผู้มาเยือนเลยเมื่อเห็นดังนั้นหญิงผู้นั้นก็ร้อนใจจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดประชันอย่างดังว่าดูท่านจะสนใจเจ้ า, มาแมลงวันตัวนั้นมากเหลือเกินหลวงพ่อเมื่อได้ยินดังนั้นจึงตอบว่าขอโทษนะ ดูเจ้ า, มาแมลงวันผู้น่าสงสารนั่นสิช่างน่าสงสารจริงๆวัดนี้เป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดโทรมยิ่งนักเพราะฉะนั้นในสภาพที่สุดโทรมเช่นนี้ที่มแมลงวันน่าจะบินออกไปทางช่องไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่เจ้ า, มาแมลงวันตัวนี้ กลับบินไปชนอยู่ที่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นเองเหมือนกับคิดว่าตรงจุดนั้นเป็นทางออกทางเดียวที่เป็นไปได้ถ้ามันยังทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆมันคงต้องตายแน่ๆแต่ไม่ใช่มีแต่เจ้ า, มาแมลงวันเท่านั้นหรอกที่นาสงสารเรื่องนี้สอนว่า อย่าลืมกลับมามองตัวเองบ้างเพราะบางครั้งเราก็ทำตัวเหมือนแมลงวันผู้น่าสงสารตัวนี้เหมือนกัน